ไปเดินจงกรมบ้างเลยบ้างก็ก็ดีไปอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราก็ได้ฝึกสติขณะที่เราได้ลืนตาใช่ไหมปกติเราตั้งสมาธิเราก็นั่งหลับตาทำความสงบแล้วการเดินจงกรมเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสติที่มันก็จะใกล้เคียงกับการที่เราจะ ใจในชีวิตประจำมันมากขึ้นเลราเราต้องดูรถฟังกายเราก็ต้องทำนู่นนี่ไปแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนสัทีเดียวแค่พอเป็นเขาลางให้เราได้ลองฝึกเพิ่มเติมเวลาที่มีสติขณนะนลืมตาแล้วกายยังเคลื่อนไหวเราจะเกิดคองสติของเรายัางไงให้ ยังอยู่ในภายในแล้วเวลาที่กายมันขึ้นไหวมันเห็นมันฟังเราจะจัดการกับความคิดที่มันพุ่งมากกว่าเก่าทำยังไงก็ <Pues> ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็คืออย่าไปใส่ใจมั น, มนเลยไม่ต้องไปใส่ใจมช่างใหม่แล้วเราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจเราสิ่งที่ทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากก็คือ เราอยากให้มันได้ผลที่มันดีที่เรามันต้องดีอย่างนั้นนะนต้องดีอย่างนี้ความอยากมันคอยแทะใจเราอยู่จริงๆแล้วความอยากเนี่ยมันจะคอยแสะใจเราทุกๆเรื่องนั่นแหละยิ่งแต่บางทีมันเป็นพวกเขาเรียกว่าผู้บงการผู้อยู่เบื้องหลังเราก็ไม่ค่อยได้เห็นมันอย่างเรื่องความปวดอย่างเนี้ย ความปวดก็เป็นอันหนึ่งนะเรื่องหนึ่งที่ความอยากมันคอยเสียมใจเราอย่างดีมากๆเลยปกติเราอาจจะเคยนั่งสักสิบนาทียี่ิบนาทีหรืออย่างเต็มที่อาจจะสักสามสิบนาทีอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานั่งยอยาวซึ่งพอมันนั่งยาวๆทั้งมีทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนแหละมันก็ปวดนั่นปวดมี กดเอวปวดก้นอย่างเงี้ยดเขา่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่ก็ถือว่ า, านานไหมก็จริงๆก็ไม่นานนะเพราะคาบหนึ่งก็สี่สนาทีพัก15นาทีก็ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นแบบอาจจะไปที่หลายๆที่เนี่ยเราก็จะเคยเจอบางทีเขานั่งกันชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้าง ตอนบวชใหม่ๆนี่ได้เลยว่าตอนนั้นเคยไปกราบหลวงปู่บุญยฤทธิ์ตอนนั้นบวชพรรษาแรกเลยในพรรษาเลยเพื่อนก็พาไปไม่รู้จักเลยหลวงปู่บุญยฤทธิ์ไข่ไม่รู้เลยแต่ตอนนั้นท่านกลับมาจากออสเตรเลียแล้วก็ไปพักที่สุนทรีสุน ท, นทรทีตรงแถวนนทบุรีนะโยมก็จัดที่ไว้ให้ท่านอยู่ ญาติโยมไปกราบได้พอไปปึ๊บช่วงเย็นก็จะมีญาติโยมเนี่ยไปไปกราบท่านแล้วก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยคนเต็มเลยพอมีพระก็พอมีพระไปก็บอกพวก VIP ก็ให้ไปนั่งข้างหน้าหลวงปู่ น, นะหลวปู่ให้นกนั่งกางเกงแกพานั่งสมาธิไปนั่งไปโอ้ขึ้นชั่วโมงแนละ้ว เริ่มปวดแล้วโอ้ชั่วโมงหนึ่งแล้วสงสัยใกล้จะเลิกแล้วล่ะเริ่มตาหันซ้ายหันขวาเอ้าโว้ก็ยังนั่งนันเต็มเลยแถมคนมาเยะเาอะกว่าเก่าปิดทางออกเลยไปไหนไม่ได้เลยผ่านไปอีกสักชั่วโมงครึ่งก็ปวดปวดขาปวดขาเอ้าันสลับข้างก็ได้ะ่ะเสร็จปุ๊บก็ หวังว่าอีกสักแป๊บมัน็คงจะเลิกก็แล้วนี่มันก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะหันซ้ายหันขวาอีกทีหนึ่งอ่าผ่านมาชั่วโมงครึ่งโอ้ว่าไปมปวดไปอ่านนั่งได้พับเพียบอ่านอยากนั่งสมาธิอากเป็นพับเพียบไปอ่ากเพีบเยบไปแล้วผ่านไปถึงอ่าสองชั่วโมงแล้วอ่ายังไม่มีวิแววจะเลิอกอีกนะตายแล้วตายแล้วนั่งซ้ายแล้วก็นั่งขวาพับเพียบทางขวาเสร็จก็บเพียบเพียบมาทางซ้ายต่อ ปวดปวดปวด้วับพิกใหม่ไปอีกขั้นหนึ่งสุสุดท้ายวันนั้นฟาดไปสามชั่วโมงถึงจะเลิกโอ้เข็ดเลยไม่กล้าไปกราบหลวงปู่เลยแต่มันก็เป็ น, นก็เลื่อยก็ขำข ำ, ำดีนั่งนานๆนนใครๆมันก็ปวดจางนั้นแหละแต่ตอนนั้นก็ปวดแบบก็ใครๆคนฝึกใหม่ๆนั้นแหละ ปวดปวดทนไม่ไหวทนไม่ไหวมันจะแบบให้นั่งเหมือนคนที่เขามีสกิลนั่งตลอดตลอดหลายๆลยปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากนั่งไปก็อา ย, ยุยอมไปนะข้างหลังเนี่โยโอ้ยคันน้างนั้นชิวๆตัวตรงแนวเนี่ยมันก็ของใครของมั น, นอ่ะมันนั่งไปนั่งไปสภาพกายสภาพใจมันค่อยๆปรับเข้าที่เข้าทางขึ้นเนี้ย เราก็นั่งได้ทนขึ้นนั่งได้ดีขึ้นความปวดอาจจะมีอยู่บ้างหรือความปวดก็มีอยู่แต่มันก็จะกวนใจเราน้อยลงทีนี้พอเรามาพิจารณาดูเนี่ยอะไรที่มันทำให้ปวดกายแล้วก็มาปวดใจด้วยก็คือความอยากนี่แหละมันจะคอยเสียมเราอยู่อย่างแรกก็คือถ้าเราจับโจรคือความอยากไม่ได้นะมันก็ลำบากนิดหนึ่ง แต่พอเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราต้องคอยคอยดูแหละเพราะว่ามีคนบอกนะี่เดี๋ยวเราคอยดูใจเราเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยพรปวดมาเนี่ยมันจะคอยอยากก่อนอยากที่จะให้ความปวดมันหายไปพออยากให้ความปวดมันหายไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไฟสองกองเลยนะไฟกองหนึ่งก็คือใจที่มันแบบวิ่งไปหาปวดมันก็กองหนึ่งอยู่แล้วเอาทุกกายมาเป็นทุกใจ อีกกองหนึ่งก็คือไฟความอยากมันติ๊ต่างอ่ะเราอยากได้สมคนสมัยนี้ก็ชอบซื้อร อ, อ, องเท้าบันงใช่ไหมซื้อรองเท้าบ้างอะไรบางนาฬิกาบ้างอะไรเห็นรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็โอ้อยากได้อยากได้ไอ้ความอยากมันก็เผาใจอยู่เลยจนสุดท้ายทนไม่ไหวก็ต้องคว้ากระเป๋าเอาตัางค์ไปให้เขาถึงจะเป็นเทาไฟความอยากที่มันเผาใจลงไปได้พอความอยากอันนี้ เผาใจเราแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนพเผาให้มันปวดก้นปวดเข่าอะไรอย่างนี้หรอกแต่มันก็เป็นทำให้ใจเรามันดิ้นรนร้อนรนไปอันนี้ก็สองเด้งนะใจเรามันดิ้นรนเพราะหนึ่งความอยากอยากให้ปวดมันหายไปอันหนึ่งแล้วและปวดมันก็ไม่หายไปตามใจอยากเราหรอกอย่างที่สองก็คือเราไปเอาทุกกายมาเป็นทุกใจแล้วเป็นสองอันทีนี้ แล้วเราจะทํำยังไงใช่ไหมก็เราก็ต้องแบบแมนๆของมันอ่ะเหมือนอยากปวดปวดไปอ่ะคือปวดคุณไม่ต้องหายไปไหนฉันที่อยู่กับคุณนี่แหละอย่างเงี้นะเราเป็นเพื่อนกันเราอยู่ด้วยกันได้ทีถ้าเราทําใจยอมรับความปวดได้นยอย่างน้อยๆปวดใจมันหายไปครึ่งหนึ่งถ้าเรายอมรับที่จะอยู่กับปัญหาได้นะปวดใจคือปัญหาใช่ไ่ม ปวดใจคือปัญหาใช่ไหมเพราะมันมีปัญหาปุ๊บเรายอมรับกับปัญหาได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใจเรามันจะเบาไปครึ่งหนึ่งอันนี้สำคัญนะไม่ใช่แต่เฉพาะปวดขาปวดเอวปวดหลังอะไรนี้นะปัญหาทุกอย่างถ้ามันมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเรายอมรับทำใจที่จะอยู่กับมันได้มันจะเบาใจไปครึ่ง แต่โดยปกติคนจะไม่อยากที่จะอยู่กับปัญหาให้มันได้หมายถึงว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยปัญหามันต้องหายไปเร็วๆจบไปเร็วๆหมดไปเร็วๆอันนี้คือสิ่งที่คนเราจะเป็นกันคือไม่ยอมไม่อยากอยู่กับมันนานๆว่ากเกินหรือไม่อยากให้มันมีก็ทุกสองอย่างทุกพระไม่อยากอยู่กับมันอันหนึ่ง ทุกเราไม่อยากไม่มีมันด้วยอีกอันแต่ถ้าเกิดเราทำใจเสียใหม่ทำใจว่ามันมาแล้วเราก็อยู่กับมันได้เพราะว่าบางอย่างมันมาแล้วมันก็ไปบางบางอย่างมันมาอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็ไปแต่บางอย่างมันมาแล้วมันอยู่กับเรานานๆก็มีซึ่งถ้าเราทำใจที่จะยอมรับมันไม่ได้นะอันนี้เราก็ทุกนานแน่นอนอะไรบ้างที่ อยู่กับเรานาะนอย่างเช่นความแก่แกน่นี่ยังไงมันแก่ตลอดตลอดการเราทาดิบนิ้วปุ๊บลดอายุไป1 0บ0ปีทำไม่ได้หรื อ, อความป่วยไข่บางอย่างที่มันรักษาไม่ได้อย่างนี้อันนี้มันทําให้ถ้าเรายอมรับที่จะอยู่กับมันไม่ได้เนี่ย อันนี้เราจะป่วยใจไปแบบยาวนานแบบเรื้อรังไปเลยแต่ถ้าเรายอมรับที่จะอยู่กับมันได้อย่างเงี้ยอันนี้เราจะอยู่อย่างสบายใจขึ้นใจเราจะเป็น อ, อิสระขึ้นก็คอง่ายอยู่กันได้ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้เป็นต้นอยากป่วยป่วยไปเรามีหน้าที่ที่จะพาร่างกายอันนี้มันไปหาหมอพาไปกินยาพาไปออกกําลังพาไปกินอาหาร ที่มันถูกกับโรคอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเรากอ็อันนี้ก็คือส่วนร่างกายไปนะในส่วนจิตใจเราก็ไม่ได้วอรี่เพราะเราก็ทำเต็มที่อยากมีก็มีไปอยากเป็นก็เป็นไปอันนี้หน้าที่ที่เรามีต่อร่างกายก็คือเราก็ดูแลมันให้มันเต็มที่ตามเหตุปัจจัยที่เรามีตามสถานะที่เราเป็นเพราะนั้นเราก็จะอยู่แบบป่วยกายแต่ไม่ปวดใจ ฉันใดฉันนั้นอ่ะก็เหมือนความปวดขึ่นเหมือนกันเพราะมันปวดขึ้นมาปุ๊บเป็นไงเราก็ไม่อยากให้มันปวดไงเพราะเรารู้สึกว่าหนึ่งเราไม่ชอบความปวดพอเราไม่ชอบปุ๊บเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปใ น, ในอานัตในคําสั่งของเราอีกอีกอันหนึ่งก็คือข้อมูลต่างๆที่เราเคยรู้มาเนี่ยโอ๊เวลาครูบาอาจารย์ภาวนาไปนะ ปวดมันดับไปได้ด้วยนะนี่เป็นต้นนะก็พยายามปั้นใจให้ให้มันไปเหมือนกับความรู้ความจำที่เราเคยเคยได้ยินได้ฟังมาอีกแต่มันดันไม่เป็นเหมือนที่เขาเป็นกระทุกไปอีกดิง่งเพราะนั้นเอาให้มันดีก็ือว่าอย่างแรกก็คือยอมรับไปก่อนยอมรับที่จะ อ, อยู่กันมันอยู่กันมันให้ได้อยากปวดก็ปวดไปแต่แน่นอนแหละมันต้องมีลิมิตว่า อยากปวดปวดไปมันต้องปวดจนถึงจุดหนึ่งบางทีเราก็ทนไม่ได้แต่ น, นี้มันก็ไม่ได้แบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะห้ามทําอะไรให้อยู่นี้จนปวดตายไปอย่างงี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้เราเอาร่างกายเนี่ยมาเป็นตัวฝึกใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันปวดจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บที่ใจเรามันไม่สามารถที่จะอยู่ในเรนจ์ ของการพัฒนาได้เงี้ยเราก็ผ่อนให้มันหน่อนิอาจาก็เปรียบไว้เหมือนกับวา่าเวลาที่เราประกอบความเพียรเนี่ยมันเราจะจับใจใช่ไหมมันเราจับนกนกนี่มันก็จะคอยบินหนีไปอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราจับแรงมากๆมันก็ตายคามือเราแต่ถ้าเราแบบว่าจับหลวมๆมันก็บินหนีเพราะนั้นมันก็ต้องจับพอดีพดีจิตใจเราก็เหมือนกัน เราเอาความปวดเนี่ยมาคอยเป็นเครื่องที่จะมาสอนใจใช่ไมแต่ถ้ามันเหมือนกับศัตรูมันตัวใหญ่มากเกินไปเราก็ผ่อนให้มันบ้างนิดหน่อยแต่เราไม่ได้ผ่อนแบบอะเลิกไม่เอาแล้วไม่ใช่ไงแต่ว่ายถึงว่าเราก็ปรครองสติเราเนั้นแหละอยู่ในระดับที่เราก็เป็นประคองสติเราอยู่สติเราก็ยังอยู่กับลมหายใจอยู่สติเราก็ยังอยู่กับพุทโธอยู่ แต่พอมันปวดมันมากขึ้นแล้วรู้สึกมันกวนใจเราเหลือเกินมันวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกเหลือเกินงั้นเราก็ประคองสติไว้แล้วเราก็ขยับห น, หน่อยนึงเปลี่ยนท่าบ้างอะไรบ้างมันก็พอที่จะทำให้การฝึกสติของเราเนี่ยมันดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ความปวดเนี่ยมันก็ไม่ได้มาทำลายการฝึกสติของเรา อันนี้สําคัญนะคือบางทีเรามีความปวดเราได้ยินมาว่าอ้าวสู้สู้อ้าวมาสู้ไปแต่เราไม่รู้ว่าสู้เพื่ออะไรเราสู้เพื่อที่เราหนึ่งเนี่ยเราจะเอากําลังสติของเราเราสู้เพื่อที่จะอย่างแรกก็คือเราต้องได้สติอ่ะสติที่อยู่กับเครื่องอยู่ที่ดีเนี่ยแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยมันกําลังทำลาย กำลังสติของเราให้มันแตกกระเจิงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่อนให้มันหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่มีกําลังใจที่มันเข้มแข็งอ่ะเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์สมัยนี้ก่อนท่านก็เอาเข้มแข็งใช่ป่ะอ่าสู้เงี้ยท่านก็เอาเลยตรงไหนปวดปวดอยู่ตรงไห น, นปวดอะไรปวดขาเหรอหรือว่าปวดอะไรปวดหนังหรือปวดเนื้อหร อ, อยู่ที่กระดูกระดูกระ ด, ะดูของอันนั้นก็เป็นอีก แนวต่อสู้หนึ่งเหมือนกันที่จะพิจรารณาให้เห็นถึงตามความเป็นจริงไปด้วยสตกิกำลังใจท่านก็เต็มที่จัดเต็มไปแต่ถ้าเราเกิดเราทำอย่างนั้นแล้วมันยังไม่ได้เ้าเรียก ว, ว่าเลเวลเรายังไม่ถึงถ้าเลเวลยังไม่ถึงก็ผ่อนก่อนแต่ถ้าเลเวลเราถึงแล้วก็ลองดูลองทาดูลองพิจรารณาดาูเอา้าตกลงแล้วอะไรปวดกันแน่ปวดกายใช่ไหมหรือปวดใจ ถ้าปวดกลายมันปวดตรงไหนอหาความปวดไปถ้าปวดเนี่ยอันนี้มันปวดที่ใจจริงหรือเปล่ามันอันเดียวกันจริงไหมถ้าปวดหายไปเนี่ยถ้ามันปวดใจด้วยใจมันควรจะหายไปด้วยสิทําไมปวดปวดกับใจมันคนละอันกันนี่มันมันก็ไม่ได้หายไปพร้อมๆกันนี่เพราะนั้นมันก็ต่างอันต่างจริงถึงสิมันไม่ควรจะจะต้องมาปวดที่ใจสิใจเราไม่ควรจะต้องเป็นดิ้นรนอะไรกับมัน อะไรนเป็นต้นนะอันนี้ก็คือวิธีที่อย่างน้อยๆเราก็จะได้ต่อสู้แล้วเราก็จะได้รับรู้ถึงสภาพตามความเป็นจริงในสภาวะนั้นๆไปด้วยมันก็จะแบบแล้วแต่ก็ลองลองซึ่งถ้าเราเลเวลน้อยๆกำลังใจเรายังน้อยเนี่ยแล้วก็ผ่อนๆให้มันบ้างแต่ถ้าเรามีกำลังใจดีเลเวลเราเยอะเนี่ยแล้วก็ลองลุ ย, ลยเลย บบที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนๆท่านลองลุยผ่านมาแล้วก็มาบอกสอนเราดูว่าเออเวลาลุยไปแล้วเนี่ยสภาวะจากการที่พิจารณาถึงทุกขเวทนาแล้วมันหายไปดับไปคาตาคาใจอย่างนี้มันเป็นยังไงแต่แน่นอนแหละของใครของมันนะมันมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เป็นแบบเดียวกันทุกคนอะไรเงี้ยมันก็ แต่ก็อย่างที่บอกถ้าเรารู้ว่าเราฝึกเพื่ออะไรอันนี้มันก็จะดีอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้บุกลุยสู้เหมือนอย่างครูบาอาจารย์แต่เราเห็นว่าสภาวะอันหนึ่งที่กายที่มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับใจปวดก็ส่วนปวดใจก็ส่วนใจอันนึ่มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันอันนี้มันก็จะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจลงไปในใจเรา ความมั่นใจสะสมความมั่นใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ไม่ใช่เราค่อยๆสะสมความมั่นใจไปเรื่อยๆทั้นเปรียบเหมือนการที่เราเห็นความจริงอะ่ะพอเราถอนออกจากสมาธิหรือเราเลิอกพิจารณาแล้วเนี่ยความไม่รู้มันก็ปลัคูณใหม่เหมือนเดิ ม, มเลยความเห็นมันก็เก่าๆมันก็แบบเดิม แต่สิ่งที่มันได้ตกค้างมาคือความมั่นใจที่เราไปรู้เราไปเห็นของจริงมาแล้วท่านก็เปรียบไว้เหมือนกันกับหมือนน้ำที่มันมีจอบแหนบปกคุมอยู่ข้างบนใช่ไหน้ข้างล่างมันก็ใสสะอาดดื่มกินได้แต่พอมันมีจอบแหนบปกคุมข้างบนล้วก็ไม่แน่ใจแล้วมันสะอาดไม่มันดื่มได้ไหมพอเราได้ลองที่จะเวิร์กเอาจอบแหนออกไป เห็นน้ำมันใสใสะอาดเห็นมันมีมีปลาอยู่ได้อะไรอยู่ได้อันนี้มันก็น่าจะพอดื่มได้กินได้แต่พอเปิดจอกไหนเอาไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่สภาพของการพิจารณาของเรามันก็อย่างนั้นแหละเห็นทีหนึ่งพอเราเลิกพิจารณามันก็กลับมาก็ก็กลับไปแบบเก่าๆแต่แน่นอนความเชื่อมั่นมันยังตกค้างอยู่ในใจว่าข้างล่างนี่นะ มันมีน้ำที่มันใสเป็นน้ำสะอาดมันไม่ใช่น้ำแบบว่าสกปรกมีพิษอะไรถ้าเราอยากจะมาดื่มเราอยากจะมาใช้ข่าวน้าเนี่ยมันมาได้แล้วแล้วเราก็มีความมั่นใจที่เราจะใช้น้าข้างล่างได้เราจะเปิดเวิร์จบแหนะออกอย่างเงี้ยมันง่ายเพราะเรามั่นใจแล้วแล้วเราเคยทำมาแล้วมันก็ทำง่ายกว่ก่บเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่า มีเราต่อสู้ก็สู้ได้หลายๆอย่างแล้วก็เบื้องหลังอ่ะก็คือความความปวดที่เราทนทนไม่ไม่ค่อยได้ก็คือความอยากนี่เราไม่อยากอยู่กับปัญหาเราอยากที่จะหนีปัญหาแล้วก็เราอยากที่จะให้ปัญหามันหมดไปเร็วเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยทุกมันทุกเพราะทุกเพราอยากนีเลยซึ่งถ้าเราคอยสังเกตใจดีๆเรื่อยๆนยเราก็จะเห็นแหละว่า โอ้มันอยากความอยากมันคอยหลักดันจิตใจของเราอยู่ข้างในความอยากมันคอยถีกใจเราอยู่นี่เรามันกินดวนเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไปตรงกับเหตุของทุกข์ที่พระพุทธองค์สรุปเอาไว้ให้ด้วยนะสมุไทยคือเหตุเกิดทุกข์สรุปรบยอดแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็สรุปให้ว่ามีตัณหาเอง ตัณหาคือที่รวมลงของสาเหตุของความทุกข์สมมติว่าถ้าเราไล่ออกไปทีละเปล่าทีละเปล่าทีละเปล่าทีละเปล่าไปแล้วเนี่ยไส้ในไอตัวจริงๆของมันน่ะที่มันทําให้เราทุกข์จริงๆก็คือตัณหานี่ถ้าเราขอดแก้ปัญหาอย่างอาชีพที่ต่ตางปัญหาข้างนอกเราแก้ไปแล้วแก้ไปทีละอย่างสองอย่างอะไรที่มันทําให้เราทุกข์ใจอยู่เอา ค่อยๆปอกออกไปจนมาถึงไส้ในตรงนี้ได้เราจะเจอแล้วว่าสุดท้ายไม่ว่าจะกี่กี่เรื่องกี่ราวกี่เคสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมันจบอยู่ตรงที่ว่าไส้ในมันคือตัณหาก็มีอยู่สามอย่างการเป็นตัณหาคือความทะยันอยากทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันหนึ่งแล้วก็ภวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็น อยากมีนั่นอยากเป็นนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วก็วิภาวะตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอันนั้นไม่อยากเป็นอันนี้เหมือนความปวดเนี่ยเราไม่อยากได้อันนี้ก็เป็นส่วนของวิภาวะตัณหาแล้วก็บรรณาจารย์ท่านก็ใช้ใช้คาศัพท์ที่ค่อนข้างดีนะตัณหาเนี่ยท่านแปลภาษาไทยว่าความพยายาม ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นความอยากอย่างเดียวนะส่วนมากเราใช้ใช้คำศัพท์รูปรวมคือคำว่าความอยากตัญหาคือความอยากก็ใช่อยู่แตเพะแปลที่มันสวยงามแล้วมันตรงตรงกับสภาวะจริงๆนะก็คือตัญหาคือความทยานอยากมันตรงมากๆถ้าเราหลับตาแล้วเราเห็นถึงใจที่ มันกำลังทํางานโดยตัญหามันปลักดันอยู่เราจะเห็นเลยว่าสภาวะของใจเรามันมันอยากจะทยานออกไปมันอยากจะทยานหนีปัญหาทางใจออกไปหรือมันอยากจะทยานออกไปรับอารมณ์ข้างนอกมันอยากจะทยานให้มันเป็นปิ่นออกไปเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นแบบนี้ซึ่งพอเห็นสภาวะของใจที่มันโดยมันโดนผลักดันโดยตัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะโอ้โห วรณาจารย์นี่แบบออท่านใช้คาศัพท์ดีเนาะใช้คำศัพท์ได้ละเอียดรอบข้อปีตรงกับสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติของมันจริงๆเพราะฉะนั้นสภาวะของคำว่าตัณหามันทาให้ใจมันดิ้นรนทยานออกมาทยานอยากไปเป็นนั่นอยากไปเป็นนี่อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้นะ หรือทยานอยากที่จะหนีหนีไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ไม่อยากได้อันนั้นไม่อยากได้อันนี้เป็นต้นถ้าทําให้เห็นว่าเราทุกถ้าปวดเอวปวดหลังปวดขาเนี่ยหลักๆอ่กกะก็คือตัวความอยากในใจเราเพราะฉะนั้นเราทำาํำไงเราก็คอย ทีนี้เรารู้แล้วมันมีบอสใหญ่ที่คอยบงการอยู่ฉากหลังใช่ไหมแล้วก็คอยเล่นงานเอาตัวตัญหานี่เลยไม่ได้เล่นงานอะไรคือรู้ให้มันทันมันรู้เท่าทันมันอ๋อจริงๆเนี่ยมันทุกใจเนี่ยมันอยากที่จะเป็นแบบนี้นะใจมันกําลังไม่อยากที่จะเป็นแบบนี้นะพอเราเท่าทันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ดึงใจออกจากความอยากนั่นแหละ ให้ดึงใจดึงกระแสใจเราออกจากความอยากมาไว้ที่ไหนไว้ที่สติเฉพาะหน้าที่การบริการมพุทโธของเราไว้ที่ลมหายใจของเราพอรู้เท่าทันจังหวะของความอยากแบบนี้แล้วเนี่ยความอยากมันก็อ่อนแรงอ่อนกำลังลงไปพอมันไม่ดิ้นรนปุ๊บเนี่ยใจเราก็ตั้งมั่นดีใจเราตั้งมั่นดีเนียมันก็กายอันหนึ่งใจอันหนึ่ง ปวดอันหนึ่งสภาวะใจที่อยู่กับสติก็อันหนึ่งเพราะฉะนั้นปวดกายมันก็เลยไม่เข้าไปที่ปวดใจไม่เป็นปวดใจไม่ได้ปวดกายก็อยู่ข้างนอกใจเราก็ตั้งตั้งอยู่ที่มันไม่ได้บวิ่งออกไปรับความปวดมนเป็นความปวดใจจะพูดไปมันก็พูดไม่ได้นั่นแหละแต่เวลาทำก็ไม่ได้ง่ายนะอันนี้ก็พูดริอฟัมก็อ่านอย่างของเราเนี้ย เราก็ลองดูไปแล้วเออการที่เรามาจัดการกับตัวความอยากรู้เท่าทันมันอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นถึงสภาวะที่ออใจเรามันมันตั้งมั่นขึ้นจากการที่ความอยากเนี่ยมันอ่อนแรงลงไปอ่อนกำลังลงไปมันไม่พาให้ใจเราหวั่นไหวแล้วอันนี้พอใจเราตั้งมั่นเราก็เห็นความปวดแบบอ๋อมันก็ขึ้นมานะมันมากขึ้นนะ อะไรมันก็น้อยลงไปแป๊บหนึงอะไรก็เยอะขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยคือเราก็ทนดูต่อไปได้กับ้างทีใช้คําว่าทนดูด้วยใช้คําว่าตามดูด้วยสลับสลับกันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพอที่จะเอาไปใช้ใช้ได้แต่อย่างน้อยก็อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมากจนทนไม่ไหวเงนนะถ้ามันมากจนมันย่ํายีจิตใจเรามากเกินไปเราก็ปล่อยให้มันบ้าง ตึเกินไปก็ไม่แทนที่ใจิตใจเราจะตั้งมั่นได้ดีเนี่ยก็กลายเป็นล้มไปเนี่ยอันนี้ก็ผ่อนให้มันหน่อยมันก็ในวิธีการต่อสู้นั่นแหละเลยๆสู้ด่าๆไปก็มีสู้แบบสู้บ้างถอยบ้างสู้บ้างถอยบ้างก็มีอะไรเงี้ยเอาตามที่ เลเวลที่เรามีความสามารถที่เรามีอาวุธที่เรามีก็สู้ตามกำลังไปประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดนะโดยโดยมากเนี่ยหลักๆแบบนี้มันก็เป็นหลักการที่ก็เอาไปใช้กับปัญหาได้ได้ได้หลายๆยอย่างปัญหาข้างนอกด้วยแต่อันนี้มันจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจนะ แต่ปัญหาที่มันเกี่ยวกับข้างนอกอะ่ะเราก็ต้องแก้ไปด้วยเพราะว่าเวลาที่มันมีปัญหาข้างนอกอะไรต่ตายอย่างเช่นถ้ามีคนขับรถปาดหน้าเราเนี้ยแล้วก็ขับชนท้ายกันเนี้ยตึง้งแน่นอนแหละมันก็มีปัญหาอยู่สองอย่างคือปัญหาคือรถพังกับปัญหาอีกอันหนึ่งคือปัญหาว่าทางอารมณ์โดยปกติแล้วเวลาคนเราแก้ไขกันเน่ะก็โม้ซั่วไปเลยสุดท้ายก็ เวลาที่พอปะหน้าปุ๊บอารมณ์มันก็ฉุนเฉียวกันมาก่อนแล้วพออารมณ์ฉุนเฉียวมันก็ขาดสติที่จะมาดูใจพอขาดสติมาดูใจปุ๊บมันก็ระบายอารมณ์จากความที่อยากจะคิดว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหานะเอาความโกรธเอาความไม่พอใจเป็นวิธีการแก้ปัญหาและด่าเขาบ้าง หรือไม่ก็เอ า, เ อ, าเอาวุธกันเอาในรถเนี่ยเราไปทำร้ายเขาบ้างมันก็ทะเลาะ ก, กันปป่าๆแต่ถ้าเกิดอย่าง น, น้อยๆเราเป็นผู้ที่ฝึกใจเนี่ยเวลาที่เขาปาดมาแล้วเนี่ยแน่นอนมันไม่เอะเออเชิญปาดเลยครับอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกมันก็ต้องปาดแล้วมันก็จิกขึ้นมาในใจแต่พอจิกขึ้นมาในใจแล้วเราก็ถ้าสติที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องเห็นเนี่ยโอ้ ความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนาะความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเนาะก็เราทำยางไงแล้วก็อย่างน้อยๆมันต้องเป็นอัตโนมัติที่เราจะต้องวิ่งมาที่พุโทโธก่อนวิ่งมาที่ดูลมหายใจก่อนเพื่อที่จะอย่างน้อยๆพักลบก่อนแตะเบรกไว้ก่อนอันนี้ก็คือแก้ปัญหาทางด้านจิตใ จ, จก่อนเพราะปัญหาทางด้านจิตใ จ, จมันมากกว่าพอเสร็จป๊บเราก็ไปแก้ปัญหา ข้านอกก็คือรถมันพังหรือว่าจะไปคุยกับเขายังไงจะแก้ยังไงใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกก็ไปว่ากันแต่หมายถึงว่าพอมันตื้มขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตใจเรามันต้องได้รับการเยียวยาก่อนปัญหาทางด้านจิตใจเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาทางด้านจิตใจใช่ไ่มมันก็จะไปแก้ปัญหาข้างนอกแบบเอาโกรธนําไปทําร้ายกันว่ากันใครผิดใครถูกก็ไม่รู้แหละเราซัดกันไปก่อน แต่พอเรามีเบรกยับยั้งใจแล้วเนี่ยอย่างน้นอยๆก็ถ้าฝั่งหนึ่งร้อนเราก็ไม่ร้อนตามให้กับเขาถ้าฝั่งหนึ่งร้อนอีกฝั่งหนึ่งไม่ร้อนเรื่องมันก็เกิดยากที่มันจะทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็เกิดยากแต่ถ้าปัญหาข้างนอกมันยังไม่เคลียร์ใช่ไมว่าใครผิดใครถูกเราจะเคลยมยังไงใครจ ะ, จะใช้ใครจะซ่อมอะไรเงี้ยถ้ามันยัง มันยังไม่ได้รับการตกลงเงินให้เด็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยอย่าเงี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่ตกเฉียงกันอยู่อย่าเงี้ยมันก็ยังต้องมีเรื่องที่มันล้นเข้ามาในใจอยู่ดีพอมันมีเรื่องเข้ามาล้นในใจอยู่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะหมดหิดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเรารู้ว่าอันนี้เป็นเป็นปัญหาภายในนะมันล้นมาจากข้างนอกเข้ามาข้างในเราก็ปัญหาภายในแล้วก็จัดการภายในไป ซึ่งเราก็จะเห็นกระบวนการอะไรว่าข้างนอกเนี่ยมันก็ล้นทะลักเข้ามาข้างในใจเราจะจัดการข้างในอย่างเดียวโดยที่จะปล่อยให้ข้างนอกมันล้นเข้ามันอยู่ข้างในเรื่อยๆอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องเริ่มจากที่ตัวข้างในของเราให้ข้างในของเรามันมันไม่แย่แล้วติดเบรกให้มันก่อนเพราะใจเราอยู่ในสภาวะที่เราควบคุมมันได้เอาความถูกต้องนําไปก่อน ถึงอาจจะยังมีความไม่พอใจขัดเคืองอยู่ข้างในก็ตามแต่พอเรามีสติ ก, กํากับดีแล้วเนี่ยเราก็พอที่จะทําความถูกต้องต่อไปได้แล้วพอจัดการกันเรียบร้อยเนี่ยข้างนอกอสมมติตกลงกันได้แล้วใครจะซ่อมซ่อมเท่าไหร่จะต้องเสียตังค์เพิ่มขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จบไปพอจบไปปุ๊บข้างนอกเคลียร์เคลียร์เสร็จปุ๊บทีนี้อารมณ์ข้างนอกมันก็ไม่ไหลมาทับข้างในยเยอะจนเกินไปแล้วเพราะว่า จบกันไปแล้วมันเคลียรกันไปแล้วที่เหลือก็คือว่าอารมณ์ที่มันตกค้างอยู่ในใจของเราอ่ะเราจะสานต่อมันอีกยาวขนาดไหนโอ้ต้องเอารถไปซ่อมไปซ่อมแค่อีกหลายวันะใช้รถที่ไหนวะพอไปงี้ปุ๊บโอ้ไม่หน้าเลยมันไม่น้ามาปาดหน้าเราเลยอะไรอย่างนี้นะไอ้เงี้ยมันก็เป็นกระบวนการจิตใจของเรานี่แหละวะ่าเราก็เก็บของเก่า มาปรงใหม่ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันปุ๊บเราก็อยากคิดไปนะงั้นเราอยู่กับพุทโธไปก่อนหรือไม่เราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นเรื่องอื่นหาเรื่องอื่นมาทําแทนมีเรื่องดาวอีกเยอะแยะที่เราจะต้องคอยจัดการก็เอาเรื่องอื่นมาทําแทนซะเพราะเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเอามาคิดซ้ําไปซ้ํามาเพราะอะไรมันไม่มีประโยชน์อย่างน้อยก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นเรื่องอื่นหรือถ้าไม่เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่องอื่นเราก็อยู่กับ เครื่องอยู่ที่เรากำลังคอยฝึกมันนี่แหละคือพุโทโธก็ดีเราหมายใจก็ดีอันนี้ก็คือแบบในชีวิตประจำวันเรานะเราก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นโลกของข้างนอกกับโลกของจิตใจเนี่ยมันต้องไปคู่กันชีวิตเรามันจะได้บริบูรณ์มีปัญหาน้อยแ่ยถ้าเราคอยจัดการจากข้างนอกอย่างเดียวโดยที่ลืมจัดการเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับอารมณ์ของใจเนี่ยอันนี้มัน มันก็ไปได้แต่มันไปแบบกระทอนกระแทน่นถ้าโชคดีหน่อยคนมีของเก่าดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะจัดการดีแต่ถ้าเกิดคนสมัยนีย้แน่นอนแหละความอดทนต่ำใจร้อนง่ายอย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่จะจัดการไม่ดีมันก็เยอะแต่การที่เราจะจัดการข้างในได้ดีมีศักยภาพที่จะเท่าทันมันสาคัญอันั้นก็ต้องมาฝึกสติฝึก ส, สติก่ เราคอยรู้คอยเห็นใจของเราเรื่อยๆแล้วก็คอยเห็นใจเนี่ยเราจะค่อยค่อยรู้กระบวนการเรื่องราวของใจด้วยและสุดท้ายจริงๆมันก็อย่างที่บอกไปไม่ว่าปัญหาทางจิตใจเรื่องไหนๆยสุดท้ายตัวความอยากมันจะเป็นตัวไส้ในตลอดตัวไส้ในตลอดที่มันคอยจะพาให้ใจเรามันวิ่งออกไปหาเรื่องออกไปรับอารมณ์ต่างๆถ้าเราคอย สังเกตแล้วก็ลาะเลาะออกไปทีละเปาะทีละเปาะปเนี่ยเรก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยไม่ผิดเลยแนมะ้แต่นิดหน่อยนิดเดียวสุดท้ายไส้ในของมั น, นจริงๆนันคือปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกมากหรอกปัญหาเกี่ยวกับจิตใจจริงๆมันคือความอยากตัณหาคือความทยายาอยากในใจของเรานี่ไงเวลาที่แก้ข้างนอกควบคุมยากควบคุมลําบาก ถ้าเราอยากมีความสุขใจมีความทุกข์ใจที่มันลดลงเนี่ยไปแก้ข้างนอกให้มันได้ดั่งใจมันยากแต่แก้ที่ใจเราเนี่ยมันง่ายกว่าแล้วก็มันมันมันเห็นทางที่พอจะจบลงได้แต่ถ้าแก้ข้างนอกมันก็ทางที่มันจะถูกใจเราทุกครั้งมันเป็นไปไม่ได้แก่อยากเราะฉะนั้นฝึกใจเราสุดท้ายถ้าใจเรามันไม่วุ่นวายสักอย่างมันไม่หาเรื่องสักอย่างหนึ่ง ชีวิตเราก็จะเบาสบายขึ้นอีกมากโขทีเดียว